หลังทำได้เราลองว่าไม่โกหกหมดเ ท, ดที่สุดได้คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสัจธรรมนะไม่มีคำถามมีแต่คำตอบเวลาใดที่เรารู้สึกตัวเราต้องถามใครไหมว่าเรารู้สึกตัวหรือเปล่า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 เราจเจริญสติเช่นเรารู้สึกตัวมือของเราวางไว้บนเขา่าต้องไปถามใครไหมว่ามือของเราวางอยู่บนเขา่าไม่มีคำถามไม่แต่ตัวเองลู้สึกตัวเองนี่เป็นหลักษากัใครก็ตามถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่กับกายพริกมือเคลื่อนไหวไปมา ก็เป็นของผู้นั่นไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นลัทธินิกายชาติภาษาหรืออะไรไรก็ตามเราสร้างความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกตัวผู้หญิงก็คือความรู้สึกตัวผู้ชายก็คือความรู้สึกตัวหนักบวดหรือขรวาสญาติโยมก็คือความรู้สึกตัว คนหนุ่มก็แฉก็คือความรู้สึกตัวจากใดละที่ใดคือความรู้สึกตัวเป็นสากลของธรรมเนี่ยความเป็นสากลของธรรมนะีไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้แล้วก็เลยเรียกวิชานี้ว่าวิชาภาวนาวิชาภาวนาเป็นวิชาที่พัฒนาชีวิตอย่างยอดเยี่ยมนะ ภาวนาคืออะไรคือเปลี่ยนความผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เป็นความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงภาวนาคือทำให้ความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเป็นหลักต้นต้นเราพ ย, พยายามที่จะรู้สึกตัวขยันรู้ การขยันรู้ท่านเรียกว่าภาวนาไม่ใช่ไปปริกรรมพุโทโธสัมมาอรหังยกหนอของหนอ้องไม่ต้องว่าเอากายไปต่อเอากายไปสัมผัสเอากับคำว่ารู้สึกตัวเอาจิตเอาจิต เ, เอาใจไปต่อเอากับคำว่ารู้สึกตัวไม่มีคำพูดไม่มีรูปแบบอะไร ให้เข้าไปถึงกายตรงๆให้เข้าไปถึงจิตใจตรงๆให้กายได้ต่อกับความรู้สึกตัวจนกายบันคุ้นกับความรู้สึกตัวให้จิตให้ใจไปต่อกับความรู้สึกตัวจนจิตใจบันคุ้นกับความรู้สึกตัวเอาไปเอามาความรู้สึกตัวจะเป็นกายเป็นจิตก็ดีมันก็คือความรู้สึกตัว มันติดแล้วมันเป็นแล้วเพราะความรู้สึกตัวเป็นเป็นใหญ่แล้วเป็นอินทรีย์แต่เรียกว่าสติอินทรีย์ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่คลองกายคลอกใจแต่ว่าก่อนที่จะมีความรู้สึกตัวเป็นใหญ่เราก็ต้องสร้างบางทีมันมีความหลงเป็นใหญ่มานานแล้ว ถ้าจะถามพวกเราก็ว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้ความรู้สึกตัวกับความหลงมันอะไรมันมากกว่ากันทุกคนก็ตอบเอาเองแล้วถ้าเราจะพิสูจน์ตั้งแต่นี่ต่อไปเราจะเพียรพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวอะไรก็ตามการใช้ชีวิตประจวันเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไป เริ่มความรู้สึกตัวเข้าไปแล้วท่านก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเมื่อเวลาเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันหลงก็ต่างกันนะความรู้สึกตัวกับความหลงมัน <c oughs> ต่างกันถ้าผู้ที่มีความรู้สึกตัวแล้วเขาจะไม่เอาความหลงดอกเขาเลือกเป็นแล้วเพราะว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ไม่เป็นความชอบ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 เคยมีความรู้สึกตัวเขาจะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเขาก็พลัดไปอยู่กับความหลงได้คง้งหโกงแต่ๆหรือหาเรื่องที่จะให้มันหลงเรื่อยไปแต่นี่นั่นวิธีที่เราฝึกหัดเนี่ยมันเป็นหลักของสากลแห่งธรรมเป็นสากลแห่งธรรม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 เราก็จะหัดจิตจิตก็ไม่มีตัวไม่ตนเราจะหัดยังไงเราจึงเอาความรู้สึกตัวมาว่างไว้ที่กายให้รู้สึกให้รู้สึกพอมันคิดไปก็ให้รู้จักกลับมาแล้เราตั้งตัวรู้สึกไว้เป็นทุนเป็นเจ้าเรือนแล้วพอวันหลงคิดไปเราก็รู้สึกตัวเราก็กลับมาเป็นกลับมาที่มันเวลาใดที่มันคิดไปกลับมาเป็นทุกครั้ง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 อย่างน้อยเราก็เห็นความคิดได้กลับมาอยู่กับในมิติเราตั้งไว้การสอนตัวเองการสอนกายก็ดีการสอนจิตก็ดีตรงนี้แหละตรงที่มันคิดไปข้างหน้าคิดไกลข้างหลังแล้กลับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันกลับมาตั้งกับปัจจุบันให้ลู่ไปพร้อมๆกันตะแคงมือก็ลู่ตะแคงมือพร้อมกั น, น, กก น, กนยกก็ลู่ยก แล้วก็เลยเป็นของจริงเป็นประจุบันเห็นกับตาเห็นกับใจทํากับมือต่หยุดความเชิดก็หยุดได้กับมือของเราต่อไปจะหยุดความทุกข์หยุดความโกรธหยุดความโรคหยุดความหลงหยุดการกรุงแต่งๆได้แลว่าคุมความรู้สึกตัวเป็นตัวคุมกำเนิดของสังขาราการตรัสรู้ของพระเจ้าก็คือสมุทยัย ทุกเราก็สบูทไทยนีโลดพักแล้ว ก, ล ก, ก็อยู่ในวงนี้แหละเราทำางนะัแล้วก็เห็นทันทีเวลาใดที่มันหลงไปเรากลับมาเราเห็นความหลงของเราหลายครั้งหลายคราวถาว้ามันเห็นต่อหน้าตากับความหลงแล้วความหลงจะหลอกได้ยังไงเมื่อเราเห็นคนที่หลอกโกหกเรา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 ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นี่บทเรียนที่ที่หาไม่มีต้องต้องได้จากตัวเราไม่ใช่พิสูจน์อะไรเหมือนไม่เหมือนศึกษาทางโลกไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะวดัดทัวเดินพระพิสุจมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราความโลภความโกรธความหลงใครก็รู้ว่ามันไม่ดีความทุกข์ใครก็รู้ว่ามันไม่ดี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 ท่เรียกว่าภาวินาภาภาวนาภาวิตาพระหูรีกตาสังวรตันติทำให้มากเกลื่อนให้มากให้รู้สึกกลับมากลับมากลับมามันเห็นนันเก่าเห็นดันเก่าเห็นดันเก่าอาจจะเป็นความหลงเป็นครั้งสุดท้ายก็ไดานแต่บางทีหลงที่เร่ำก่อนมันก็ไม่ไม่ไมทันหรอก หลงไปหลงมาหลงกับความเชิดหลงมากขึ้นมากขึ้นมันก็ลู่มากเข้ามากเข้ามืนทันกว่าหรือว่าจะเอกันคนหนึ่งจะออกประตูคนหนึ่งก็พบประตูอยู่นนัแล้วจะเอกันของจริงก็ต้องเป็นของจริงของไม่จริงก็ต้องเป็นของไม่จริงความหลงไม่เป็นของจริงความไม่หลงเป็นของจริงสัมผัสดูแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปถามใครเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันจะเอ ก, กันมันก็หมดค่าแล้วความหลงมันหมดค่าหมดพิษสงหมดอำนาจเป็นไปทาองนั้นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาก็มีภาษาทะเกว่าวิปัสนาญาณล่วงพ้นภาวะเก่า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 นักภาวนาจะดูออกเห็นมันหิวเห็นมันสุกเห็นมันทุกข์มันต่างเก่าเมื่อเห็นมันแล้วมก็พ้นหลุดพ้นได้ง่ายเมื่อไม่เห็นก็พ้นไม่ได้เลยดังนั้นจึงต่างเก่าจนพระพุทธเจ้าจว่าเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเห็นเหตุได้ถึง เกิดทุกข์ก็เห็นวิธีที่จะทำเหตุนั่นให้ไม่ทุกข์เรียกว่ามรรคเมื่อทำองค์มากแล้วมันก็พ้นในโลดพ้นไปพ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์พ้นจากโกรธพ้นจากกรุกนพ้นจากปัญหามันก็เป็นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในมันเป็นปัญญาสังขารคือกายสังขารจิตสังขาร เราก็เห็นบทเข้าแถวให้เราดูแล้วมันก็มีอารมณ์มีสูตรดัางที่พูดให้ฟังวันก่อนว่ากายานุปัสสนาเป็นสูตรของกายเวทนานุปัสสนามันก็มีอยู่ในกายกายที่ต้องร้อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็น อ, อะไรต่างๆเราเรียกเป็นสูตรของเขาเห็น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 แปลว่ายึดไว้ติดมันติดอะไรมาชีวิตของเราไม่แต่ลอยเปะลอยเปื้อนหรือลอยชนลอยช้ำอะไรต่างๆแต่เป็นรถก็เป็นรถมือสองถูกชนมามากถูกช้ำ ม, มามากในแผล ความรักไม่แผลความชังไม่แผลความจิตความถูกไม่แผลความโลภความโกรธความหลงหลังคนก็เป็นจริตนิสัยล่ะคะจริตโทสะจริตโมหจริตการมาเจริญสตินี่มันก็นมาซ่อมซ่อมชีวิตให้มันดีให้มันมั่นสตฐานเข้าอู่ซ่อมพอมันลงเทไรลู่สึกตัวซ่อมขึ้นมา หลงไปทางไหนรู้สึกตัวซอมแล้วซอกแล้วแล้วก็โดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเป็นของที่พัฒนาได้อย่างยอดเยียบอย่างยอดเยียบเหมือนกับเมื่อเช้านี่หลวงพ่อพูด <c oughs> ว่าบ้านของจิตคือภาวะความปกติ <c oughs> ในเหมือนบ้านของกาย บ้านของกายต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆเห็่นศาลาหลังนี้โดยพรเกิดปลูกองไรวัดสุกโตเนี่ยยี่สิบสามสิบปีนี่ก็ต้องเวลานี่ก็ต้องซ่อมกันแล้วใช่นานมานานก็ต้องผุพังก็ต้องซ่อมซ่อมไปซ่อมมาก็มันก็เสือ่อมมันก็ไม่มีคุณภาพ <c oughs> มันก็ <c oughs> สุดโสม แต่ว่านของจิตคือภาวาความปกตินี่ไม่ต้องซ่อมเลย <c oughs> ถ้าจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจิตตัสะที่ยติโลโกกิตตังทันตังสุขวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์ประโยชน์เพื่งพาใั้ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยออกหน้าออกตารับรับอะไรทุกอย่างออกไปรับ อะไรก็ถึงกิจพอฝึกดีแล้วมันก็ไม่ถึงมันมีบ้านไม่ที่อยู่เป็นปกติเป็นปกติเป็นบ้านของกิจอยู่บนรถเมล์ที่ทำงานที่ไหนก็ตามมันก็อยู่กับภาวะความปกติชีวิตที่มีบ้านที่มีปกติเป็นชีวิตกิจใจแล้วก็พึ่งได้นะพึ่งได้ คนอื่นก็เพิ่งได้ไม่วันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเราก็เพิ่งเราได้แต่ถ้าเราไม่มีชีวิตเข้าถึงภาวะปกติเราก็ไม่มั่นใจชีวิตจิตใจของเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรผ่มไลายคมดีปูปูแปร่แปร บ, บางคนอาจจะพูดว่าฉันไม่มั่นใจฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร อันตรายทําไมจึงปล่อยปลาละเลยปล่อยเท่งไว้อย่างนั้นมันก็อยู่กับเราทําไมไม่ฝึกหัดไปอยู่ตรงไหนกันไปเละเทะไปเลวสามอะไรเท่าไหนจนพึ่งกิดไม่ได้ปล่อยปลาละเลยนะเราจึงจําเป็นต้องฝึกทําไมต้องฝึกก็เพราะเหตุนี่แหละถ้าเราไม่ฝึกก็เป็นพิษนะ